เป็นอย่างนี้เองชีวิตเข้าใจไหมครับบางทีคุณอาจจะระเบิดเสียงว่าร้องก็ได้บอกโอ้ยมันมันอะไรอย่างนี้วลุมเข้ามาทุกด้านมีท่านอาจารย์ที่สุโมู่เคยเล่านิทานนะครับอาจารย์ท่านอาจารย์วิสุทธคุณจำได้ตทวชาคันหนึ่งเขาเป็นคน ในสายตางเพื่อนบ้านก็ๆเป็นคนบ้าบูมบูมเขาไปเที่ยวป่ากลับมาถึงไฟกำลังไหม้บ้านพอดีเขาวางมีดพลาได้ก็ตกมือล่องชายโยดีจะได้สิ้นเรื่องไปเคยได้ยินใช่ไหมครับตกมือเต้นขึ้นเต้นลงชายโยโหัวล้อดีจะได้หมดเรื่องหมดราวเนี่ยเพราะยังไงเสียวันหนึ่งหนึ่งครับ เคยได้ยินคนแก่พูดไ้มครับว่าเรามามือเปล่าตีนเปล่าแล้ววันหนึ่งเรากลับมือเปล่าตีนเปล่าเคยได้ยินไหมนั่นเราเกิดมานี่ยกทรงสัตตัวก็ไม่ได้ติดมาชักในท้องแม่หรือกางเขงถุงเท้าก็ไม่มีออกมาแหวนสักนิดก็ไม่มีมือเปล่าตีนเปล่าแท้ๆครับแล้วมาหาทีหลังอนนั้นสุก็กลับอย่างนั้นเนี่ เพื่อนอาจจะแต่งตัวให้เวลาอยู่ในโลงศพแต่ว่าจริงๆไม่รู้เลือกน้ำ ม, ามือเปล่าตีนเปล่าแล้วกลับตีนเปล่ามือเปล่าบางทีผู้รู้บางท่านพูดนะครับว่าชีวิตเหมือนความฝันค่อยๆเราฝันนะตรนั้นว่าเราเกิดมาแล้วในสิวเราก็จากไปถ้ามองไปแล้วนะเรามาสู่โลกนี้ชั่วคราวนะครับอายุของเราเจ็ดสิบปีหรือห้าสิบปี ต่อให้เก้าสิปีรืร้อยปีเทียบกับอายุของจักรวาล น, นี้ครับอายุของโลกนี้ขยิบตาเดียวิดเดียวนั่นเองครับมันก็ฟาแบลบเรามาแล้วก็ไปแล้วแต่วันหนึ่งเราจะคิดออกครับในวัยหนุ่มสาวมีบางสิ่งมันบางเราเช่นวัยความงดงามความแข็งแกร่งวัยหนุ่มสาว มันจะฟังไม่ออกครับเมื่อพูดถึงเรื่องแก่เท่าเรื่องชรามรณะันี่จะนึกไม่ออกครับจะนึกไม่ออกว่า ม, มีอะไรบังอยู่บางอย่างคือวัยนั่นเองมันบังเราแม่ผัวกับลูกสะภ้ายลิสยากันนะครับ ต่างคนต่างไม่รู้ว่าต่างคนต่างเป็นทุกข์แเรายืนอยู่ข้างแม่แม่ผันะครับตั้งหลักคิดบนแม่โฟนะฮะสมมติต่อมาลูกสะพ้ายมีลูกชายออกลูกมันเป็นชายแล้วต่อมาลูกชายไปแต่งงานตัวเองเป็นแม่สะพ้ายทีนี้นึกออกเหรตัวเองเคยทะเละเาะกับเขาอย่างไงเข้าใจไหมครับ หรือว่าคนหนุ่มสาวยังนึกไปออกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงอย่างไรพอตัวเองมีลูกขึ้นมานึกออกเออนึกออกว่าแม่เป็นห่วงเราอย่างนี้แต่มันสายเสียแล้วครับพอเราได้ทะเลาะกันลั่นบ้า น, นแม่ครับเราเคยดูสารคดีหรืออะไรเนี่ยข่าวนี่นบ่อยมากทุกๆหนึ่งนาทีนะครับสถิติรายงานว่าเด็กหนุ่มสาวจะวิ่งหนีออกจากบ้าน ทุกๆหนึ่งนาทีตอนหนึ่งหนึ่งคนสิบนาทีสิบคนยี่สทยี่สิบคนคิดดูวันหนึ่งกี่คนนะวิ่งออกจากบ้านไม่ใช่วิ่งไปตลาดนะที่เรียกรันนเวย์นะครับคือแหกวงล้อมออกจากครอบครัวไม่คบกับพ่อแม่อีกต่อไปแล้วคือหนีนั่นเองเข้าใจไหมครับไม่ียกรันนเวซึ่งนอกกลัวมากครับในสังคมโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะี เรจะพบบ่อยเด็กหนุ่มสาวเขาจะโตต่อพ่อแม่ที่มันจูนจ้านในชีวิตของเขามาสารแน่กับเขาเด็กหนุ่มสาวตะโกนว่าแม่ก็อยู่ของแม่กันแล้วกันนะชีวิตของใครของมันแล้วเขาก็เปิดประตูวิ่งไปเลยหายไปตลอดชีวิตก็มีเป็นการแตกแหลกสลายของระบบครอบครัว ทีนี้มาดูความรู้สึกตัวความสุขของหมู่คําว่าหมู่นี่หมายถึงครอบครัวก็ได้หรืออารามหนึ่งคือครอบครัวหนึ่งหรือหรือชาติก็คือครอบครัวข อ, ของชนกลุ่มหนึ่งหรือครอบครัวของของโลกซึ่งประกอบด้วยประเทศแต่ละประเทศทุวันนี้แต่ละกลุ่มแต่ละฝามขัดกันเป็นบ้าเป็นหลังเลย ผมพูดค้างขคาวไว้เมื่อสองวันว่าถ้าเพียงแต่คนทุกคนในโลกนี้มารู้สึกตัวเท่านั้นนะครับโลกนี้ประสบสันติทันทีเชื่อไหมครับแต่วันนี้เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นนะคือยังไม่ตั้งคำถามทํำยังไงถึงให้เขาเป็นอย่างนั้นไอ้นี่อีกเรื่องหนึ่งเราเราพูดไม่ได้แต่เราต้องสมมุติทฐานว่าถ้า คนทุกคนมารู้สึกตัวเท่านั้นนะครับภายในพริบตาเดียวเนี้โลกจะสงบเย็นทันทีจริงไหมจริงไหมครับเพราะเรารู้ด้วยตัวเราเองเมื่อคนปฏิบัติรู้สึกตัวแล้วมันจะยังรู้ทันทีนะครับมันเกิดยานชนิดหนึ่งมันรู้ว่านี่ท่าทุกคนรู้สึกอย่างนี้นะครับโอ้โหโลกนี้ก็สงบสุขน่าอยู่เข้าใจไหมครับต้นไม้ที่จะร่มรื่นเมื่อคนรู้สึกตัวไม่ทําลายป่าไม่ทําลายแม่น้ำลำทาร น, นะ ถ้าจัง น, นครับป่าจะเขียวสือุ่มลําธารจะใสสะอาดคนยากไร้ที่พึ่งจะไม่มีครับนรู้สึกตัวเราไม่ต้องการอะไรดังนั้นไอ้ทรัพย์สมบัติใด ม, มีไว้ก็เพื่อเจือจา น, นะ ค, ความเป็นไปได้นี่อยู่ที่จุดนี้นะครับแต่ว่าใครละ่ะที่จะไปพูดใ ห, ให้ทุกคนรู้สึกตัวอย่างนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกตัวครับเรามองกว้างถึงระดับโลกเอาแค่ระดับชาตินะฮะ ลดลงมาดูถ้าเพียงคนในประเทศเหล่านี้สักครึ่งเดียวรู้สึกตัวในประเทศนี้เจริญ น, นะ่นแะจริงไหมเอาลดลงมาแค่สุราษฎร์ธานีแต่คนรู้สึกตัวสักสักครึ่งเมืองนั้นน่ะครับบ้านเมืองเมืองนี้คือสงบสขบสุราษฎร์ธานีชื่อว่าเมืองคนดีนะแต่ว่าคดีอาญากรรมสูงที่สุดเปลี่ยนชื่อจะดีไหมกับทุราชธานีนี่ไม่เอ คื อ, อ, อทุราษดรราษฎรที่ที่ทุ่ไม่ใช่สุผมได้บอกแล้วนะครับว่าความรู้สึกตัวมันเป็นทั้งหนึ่งและเป็นทั้งทั้งหมดพลเมืองประมาณห้าพันถึงหกพันล้านนะครับ หรือในมหานคร ใ, นใหญ่นิวยอร์กแฟรงก์เฟิร์ตหรือกรุงเทพนะครับซึ่งมีปิชากรประมาณห้าล้านเศษเศษทุกๆวันการจราจรจะคับข้างผู้คนเดินไปเดินมาขับรถบึงไปบึงมาถ้าเรามีหวัวใจที่สงบไปยืนในที่สี่แยกแล้วตั้งคำถามเขาก็ลังทำอะไรกันคนเหล่านี้ต้องการอะไรเนี่ เราจะพบว่ามนุษย์ไม่มีคำตอบที่แท้จริงเลยครับแล้วไม่ตรงนะสักค น, คนหนึ่งคนหนึ่งก็บอกว่าผม <c oughs> ผมกำลังจะไปทวงหนี้สินผมกำลังไปแบง์ผมกำลังไปกอ่อสร้างห้างสรรพสินค้าใหม่ๆแต่ละคนมีธุรกิจเต็มแต่คำถามที่สำคัญก็ว่าคุณรู้จักความสุขหรือเปล่ามนอาจะหัวละสายหน้าคุณนะไม่จริงท่า ว, าว่า เราก็ยืนส <Where i S 2> ีอแยกแล้วถามใครก็ได้ว่านี่คุณรู้จักความสุขไหมก็จะหัวเลาะสายหน้าบ่าโอ้ยสุขเจออะไรกันต้องมีเงินเยอะๆมีอำนาจมากๆมีบ้านใหญ่ๆมันจริงจะสุขใช่ไหมครับเขาคิดอย่างนั้นไหมคนที่ยืนอยู่ป้ายรถเมย์นั่งรอรถเมย์อยู่ถ้าคนที่รู้สึกตัวนะครับมันจะมันนั่งรอรถเมย์ก็จริงแต่มันปฏิบัติทำอยู่เข้าใจครับ คนทุกคนมันคิดับนั่งในรถเมล์ในเรือไฟนั่งในเครื่องบินมันคิดคิดเราก็จะสร้างสวรรค์มิมาตรสมมติว่ากระแสความคิดนี่เป็นเหรียญวันนี้รวยตายแล้วเนะี่ยแต่ละคนนี่เป็นมหาเศรษฐีนั้นคือคิดมากๆครับจริงไหมสมมุติคิดเรื่องหนึ่งนี่เหรียญตกลงมาเหรียญหนึ่งนะป่านนี้คงรวยไม่รู้เรื่องแนละ้แต่เรื่องไม่เป็นอย่างนั้นครับพมันยิ่งคิดยิ่งเป็นหนี้หนอกขึ้น คือหนี้ชีวิตครับเข้าใจไหมคือเป็นหนี้คล้ายๆไปกู้เข้ามาแล้วเป็นติดหนี้เขาอยู่ตอนเมื่อเราหันมาดูความคิดครับการลบล้างหนี้ก็จะเกิดขึ้นนั้นมื่นั่งที่ป้ายรถเมล์รอรถเมล์อยู่อย่านั่งเปล่าครับเรารู้ตัวว่าดูใจอยู่จับความรู้สึกอยู่ แต่ไม่ใช่นั่งยองรถเมล์มาลืมตัวรถเลยไปเลยเลยตกรถทุกเลยไอ้นี้ไอ้นี้เป็นคนเผลอตัวครับแล้วก็ดูไปครับถึงเวลาที่เราตัดสินใจขึ้นรถเมล์เราก็ขึ้นพอนั่งเรียบร้อยปับ๊บหาจุดเสถียรขึ้นมาห น, นั่งดูใจโดยเฉพาะวันนี้ทัศนคติที่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมะเลยนี่มันเกิดผกผันตรงข้ามเลยม โอ้โหเวลาเหลือเฟือจริงๆสำหรับปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมครับทุกขั้นทุกตอนทุกวินาทีทุกกิจกรรมการงานเนี่ยเราก็ดูใจของเราจับความรู้สึกตัวอยู่พอคิดวุ่น่ากมาก็ทิ้งไปถึงเวลาคิดก็คิดความคิดมันมีสองอย่างนะครับคือความคิดที่เรารู้ตัวนี่มันอันตรายน้อยมากๆและดีมีประโยชน์ด้วยคล้ายคล้ายเครื่องมือนะครับ สิวหรือขวานเรือร่อย ห, ห, ห, หรือจอบเรารู้จักมันดีแล้วเรากำลังใช้งานนี่เราเกิดประโยชน์แล้วไม่มีอันตรายใดแต่ว่าความคิดที่คิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนี่อันตรายมากๆเข้าใจั้มฮะเหมือนคนตื่นกลางดึกละเมอตื่นที่เขาเรียกโคสลิปวอลกนะครับแล้วก็จับมีดจับขวานมาแล้วยุ่งนทีนี้ตอนผมเด็กๆน้องชายของผมขงเขาเป็นโลกสลิปวอล เขาก็าตื่นขึ้นกลางดึกผมเห็นนะแล้วก็เดินมันยืนมันหยุดยืนนิ่งที่บันไดลงชั้นล่างเล้วเดี๋วก็เดินลงไปแล้วเปิดตู้กับข้าวแล้วเขาก็กินกินคําต้องคำเขาก็เลยหลับลงไปบนนั้น <c oughs> คือเขละเมอเดินแต่ว่าดีเขาไม่ไม่ไม่ทําอันตรายอะไรดังนั้นความคิด ที่คิดโดยไม่รู้ตัวนะครับระวังให้ดีนะวันนี้ผมจะเริ่มพูดเรื่องความคิดครั้งก่อนๆพูดเรื่องความรู้สึกแล้วเราต้องทาความรู้สึกอยู่เรื่อยๆครับคือให้ความรู้สึกมันแน่นแฟ้นเพอะความรู้สึกแน่นแฟ้นมันจะพิจารณาเรื่องความคิดได้ดีคือความคิดที่คิดแล้วรู้ตัวนะครับพอคิดปั๊บเนี่ยรู้ตัวคิดเย มันยิ่งตื่นมันยิ่งดีมันยิ่งส่งกำลังดังนั้นที่ผมบอกว่าทำให้มันฟุ้งคือให้มันคิดขึ้นมาแล้วความตื่นตัวนี่จะสูงคนที่คิดเก่งมากๆเนี่ยที่จริงคือคนฉลาดแล้วก็มีพลังสูงถ้ารู้ตัวมากๆด้วยนั้นกานสมาธิที่กลั่นกล้ามากครับในขณะที่เราคิดแเราไม่รู้ตัวขณะนั้นเราฝันกางวัน แล้วพอตกกลางคืนล้วก็ฝันฝันคือคิดนั่นเองครับทั้งวันนี้เราก็ฝันนะมันนั่งตายลงมาก็คิดไปงั้มันฝันแต่พอเรารู้สึกตัวมันก็ถอนออกจากห่วงของความฝันอันตรายก็ไม่มีถ้าไม่มีความคิดนะครับเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เราจะเสียดุลไปกลายเปนท่อนไม้ แต่เมื่อใดที่คิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ตัวนี้เราตกในห่วงอันตรายจากความคิดของตัวเองความคิดเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องรู้เมือ่อใดไม่รู้ความคิดจะทำลายเจ้าตัวเขาทันดีคนที่ไปกระโดดหน้าผาตายไปกระโดดสะพานตายนี้เขาไปกับความคิดที่ไม่รู้ตัวเข้าใจงไหมครับ มันพาไปเรื่อยมันบอกไปสิไปโอหัวทิ่มลงในแม่น้ําเจ้ายาแล้วแกก็จะไปสู่สวงสวรรค์ก็พาไปพาไปแล้วก็ตายในที่สุดความคิดนั้นเช่นเดียวเป็นอินทรีย์ส่วนหนึ่งเป็นอาการของอินทรีย์คือมันอินทรีย์นะครับทางใจยอย่างแขนขานี่ถ้าเราถูกตัดแขนด้่ข้างหนึ่งเราก็เดินลําบากครับจริงไหมไม่ค่อยได้ดุนมัน ความคิดก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกับอาการที่มือเคลื่อนอย่างนี้ดังนั้นจิตก็คิดมือก็แกว่งใช่ไหมครับซึ่งดีมากมครับแต่ว่าแกว่งมือแล้วแกว่งไปหาเสี้ยนนั้นก็เจ็บาจาก็ใช้มาเผลอตัวไปโมโหเหยียบไปบุกกระบงน้ำโมโหไปชกน้ำสักทีอีทีนี้ก็ยุ่งเลยไม่รู้ตัวไปกระแทกเข้าก็เจ็บ ความคิดเหมือนกันครับเมื่อไม่รู้มันคิดเข้าไปสู่ฝ่ายอกุศลเรื่อยๆเข้าใจงไหมครับมันมืดมันคิดแสบไปหาสิ่งที่มันจะลําบากยิ่งขึ้นครับเค่ดูกระตูนเรื่องดูรอยมอนไหยครับ <c oughs> ดู <c oughs> ผมก็ดูคล้ายๆเด็กๆเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ดูเด็กๆผมดูว่าเด็กๆมันดูอะไรกันท่านะ เด็กๆดูรายการก็ฟงก็เลยดูที่เด็กๆก็ดูกันด้วยดรอมอนนั้นคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ของจิตนะครับมันฉลาดมากๆใช่ไหมฮะแต่ว่ามันใช้ความฉลาดนําพักพวกกันไปสู่ความยุ่งยากทุกทีเลยจริงไหมทุกเรื่องของดรอมอนเป็นอย่างนั้นไหมใช่ไหมครับมันฉลาดมากๆเลยนั้นคล้ายๆความคิดเลยครับมันฉลาดแต่แล้วความฉลาดของมันสร้างเรื่องยุ่งทุกตอนเลย นั่นเปรียบด้วยความคิดครับมันคิดเดี๋ยวก็ได้เรื่องคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็ได้เรื่องอีกทีหนึ่งเครดูเรื่องสโนไว้มไหครับดูแก้วหน้ามา้า <c oughs> <c oughs> ผมก็ดูครับแต่ว่าผม <c oughs> ผมไม่ได้ดูดูดูเพื่อความเพลินนะคร สโนไวท์สอนอะไรเราครับที่จริงเรื่องสโนไวท์หรือแก้วหน้ามานะครับเป็นนิยายชั้นสูงมากๆแต่ครั้งอดีตเป็นการอนุวัตจากชาดกซึ่งเป็นปริศนาธรรมนะครับผมได้กล่าวแล้วว่ารูปแบบภายนอกนั้นยิ่งหรูหราเท่าไหร่เนื้อหาจะขาดตอนเท่านั้นและเมื่อเนื้อหาภายในเติบโตขึ้นรูปแบบก็จะ สิ้นบทบาทลงเข้าใจไหมครับเหมือนเรายกมือนะครับมีเนื้อหาความรู้สึกตัวนี่ในสุดมันก็นั่งพลิกอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าบทบาทหรือรูปแบบภายนอกรู้หลานี่ข้างในมันจะไม่รู้ตัวครับจริงไหมคือมันโมจะโชว์ฟอร์มอยู่พูดภาษาฝรั่งโมจะโชว์ฟอร์มแล้วลืมตัวไป เมื่อสมัยเป็นนักบวชนี่ไม่ใช่นินทาพระนะนินทาตัวเองก็ว่าได้อยากให้โยมประทับใจพาเจอโยมก็อยากให้เขาชอบครับแต่ลืมตัวไปเนี่ยลืมตัวนี้ไปเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันเรารู้เท่าไม่ทันตัวเราเองครับที่จริงไม่ต้องให้ใครประทับใจครับประทับใจตัวเองรู้สึกตัวเท่านั้นแล้วเพื่อนๆจะชอบเองโดยไม่ต้องไปแกล้งทํามันขึ้นเข้าใจไหม ทีนี่ย้อนไปดูสโนไวท์หรือแก้วหน้าม้านะครับผมลัดให้เป็นโครงสร้างทางธรรมเท่านั้นนะที่จริงมันนีลัตนากับแก้วหน้ามันคนเดียวกันใช่ไหมครับแต่มันแสดงสองบทบาทไอตัวพระเอกนั้นไม่รู้เรื่องคิดว่าไอตัวผู้หญิงสวยๆนั้นตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งมันแก้วหน้ามา้าแล้วคิดว่าตัวนี้เป็นมารของตัวนี้ใช่ไหม แต่ตัวแก้วนามาเนะ้นถือมีดิโต้ซึ่งไม่งามหน้าตาทะเลาทะเาและเขาต้องการให้เจ้าชายนะครับรักเขาภายใต้รูปแบบที่เช่นนี้ <c oughs> เพื่อที่จะเผยโฉมที่งดงามให้ดูใช่ไหมครับแต่ตราบใดที่เขายังไม่รักอร่านขี้ริ้ว น, นี้เนะี่เขาก็ังไม่บอกความจริงกนะันนั้นเข้าใจไหมครับสโนไวนี่ก็เหมือนกัน หัวล้อพี่ว่าผมมันนักดูกระทูนนี้งไงไม่ใช่อย่างนั้นตูสนวไว้เมื่อมันถูกล่ายออกจากแม่เลี้ยงที่ลิศยานะครับมันก็ไปคบกับคนแคล๊ะเจ็ดคนซึ่งแต่ละคนนี้น่าตลกทั้งนั้นเลยชื่อกับประหลาดประหลาดนายคนแรกชื่อนายขี้ง่วงสลิ ป, ปีนะครับเขาชื่อนายขี้ง่วงเจ็ดคนนึงคือคือลักษณะที่ที่แคละ๊ะแกล่นทั้งนั้น เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมารับลักษณะที่แะแกร้งเราเองนะครับเมื่อนั้นเราจะมีพรรคพวกมีกําลังขึ้นและชีวิตจะดีขึ้นวันนี้เราปฏิเสธตัวเองนะครับเช่นเราสมมติใครสักคนในที่ประชุมนี้นะครับจมูกแบนนะครับจมูกสั้นและเขไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองจมูกสั้นก็อยากจมูกโด่งอย่างฝรัง่งก็ทุกอยู่นั่นแหละ เห็นฝรั่งเด้นมาก็กลุ้มแต่พอถึงวันหนึ่งคิดว่าเอ้าแบนก็แบนความทุกข์หายไปทันทีจริงไหมในกรณีนั้ น, นครับเอ้าแบนก็แบนทําไงได้มันก็แบนมันตั้งแต่เกิดแล้วไม่ใช่เพิ่งแบนสักเมื่อไรวันที่หรือว่าเพิ่งแบนก็ได้ครับเช่นจมูกแหวงตาบอดพอเราลับได้แล้ว น, นะความทุกข์จะน้อยมากเลยเข้าใจไหมครับสมมุติคุณเกิดตาบอดขึ้นมาแล้วคุณ บอดแล้วยังไม่ยอมต่อสู้อยากจะให้ดีทีนี้ยุ่งใหญ่แล้วแต่วันหนึ่งคุณจับได้โอ้บอดก็ดีเหมือนกันก็เหลือข้างเดียวก็ดีแล้วยังดียังดีที่มีอยู่ข้างหนึ่งถ้าหายไปข้างยังดีที่ยังไม่ตายนะครับนั้นพอรับสภาพแค ล, แลนได้นะครับมันจะสมบูรณ์ทันทีเลยขงงลเข้าใจไหมครับมุสโนไวถูกถูกผลักดันมาจากครอบครัวนั้น ก็กลับไปอยู่สภาพแคลแกลนที่สร้างสัญลักษณ์คนแคละทั้งเจ็บนะครับเมื่อคุณง่วงนอนนะครับเมื่อนั่งปฏิบัติภาวนาแล้วเกิดง่วงนอนคุก็ดูความง่วงเท่านั้นเองคือยอมรับเออนี่ง่วงสิเนี่ยพอเออนี่ง่วงสิเนี้หายหทันทีเคยทําอย่างนั้นไหมครับอืม น, นี่พง่วงกันมาพยายามต่อสู้เบิงตาขึ้นยิ่งง่วงหนักก็ไป <c ười> คือไปต้านมันเข้าครับที่จริงเราต้องรองดองพอง่วงก็กําหนดแค่กําหนดเรื่ อ, องออง่วงพออองง่วงนี่มันจะรู้สึกแจ้งขึ้นมาทันทีโดวยวิธีการนันรน้นเป็นนอนอมนี่นะฮะแกนามาถือว่าถือมีดิโตนั้นนะครับหมายถึงว่าการปฏิบัตินอกรูปแบบเหมือนที่ผมบอกง่วงนอนกั เข่ค <S an> ว่าตัวเองเลกสี่ห้าทีมันดูไม่งดงามแต่มันได้ผลครับจริงไหมเดินกะแทกซ้นนี่ผมเชื่อจะไม่มีใครแนะนำนะว่าทำสมาธิบ้าอะไรก็ไม่รู้เดินกะแทกซ้นปังๆฟังๆใช่ไหมแต่ว่ามันได้ผลก็แล้วกันนะครับเราปฏิบัติไปนี่เราแก้ปัญหาในตัวเราโดยภายนอกอาจจะดูรุ่มร่ามบ้างครับแต่ว่าโดยภายใ น, นก็ปุดพองขึ้น เราคงได้ยินพาสิทธ์อะไรนะครับที่ว่าข้างนอกครุกคลาข้างในตะติ้งหนองอะไรก็ว่าอย่างนั้นจริงไหมเก็ได้ยินมหมแต่เราก็รักษาใจของเราให้ตะทิ้งหนองทุกวันข้างนอกช่างวัวมันแต่ในที่สุด เ, เมื่อเนื้อหาภายในเติบโตขึ้นมันก็ค่อยจัดฟอร์มภายนอกให้สอดรับเข้าใจไหยครับมันค่อยๆจัดฟอร์มภายนอกท่าทีพายนอกให้สอดรับกับภายในขึ้นจนได้ โดยใหม่เนี่ยครับถ้าไปวางฟอร์มหรูๆแล้วข้างในไม่ทาทิ้งหน่งมันจะกลูกขาวด้วยเซีนวางท่าทีเป็นผู้รู้เป็นศาสดาขึ้นมาแต่ยุ่งทันทีครับคืออยากจะให้เห้เารักใคร่นับถือแต่ว่านั่นเป็นความอยากไปสร้างขึ้นหรือไปสร้างความสงบขึ้นหข้างในก็วุ่นวายจริงไหมแล้วมีดาราหนังสกคนหนึ่งแสดงบทเป็นพระสมณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แสดงให้เหมือนบทบาทมากสงบมากนั่นคือวุ่นที่สุดเลยข้างในเพราะมันอยากจะให้สมบทบาทจริงไหมดังนั้นตัวความสงบก็คือความสิ้นสุดการดิ้นรนจากข้างในครับเข้าใจไหมสิ้นสุดการดิ้นรนขนขวายจากในสุดโดยข้างนอกหิวข้าวก็ไปกินเส้ง่วงก็ไปนอนเส้งเข้าใจไหมครับ นั้นความสงบในหมายในเนื้อในของมันนะครับสารัถะนี่เติบโตขึ้นมาแล้วทั้นั้นผมเตือนครับว่าเมื่อเจริญภาวนานให้ต่อเชื่อมประสบการณ์ของความรู้สึกตัวทันทีเข้าใจไหมครับนั่งฟังผมวันนี้ก็ขาดไปแล้วเข้าใจไหมครับก็ขาดความรู้สึกตัวนะเอาเริ่มฟื้นฟูครับฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ยังงงอยู่อีกครับก็คือเราจะปฏิบัติกันอีกฟื้นฟูขึ้นมาทิ้งคำพูดให้หมดที่ผมฟังที่ผมพูดให้ฟังไม่ต้องไปสนใจกแล้วครับเริ่มพลิกมือถ้าพลิกมือข้างขวานะครับเป็นการดีที่มือข้างซ้ายติดนะท่ามนอกววา เพราะปลายมือนี้คือปลายประสาทมันจะสัมผัสอาการเต้นของหัวใจได้ดี พเราเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวหรือการเจริญสติบรฐานของความรู้สึกในขณะที่เคลื่อนไหวได้ดีพอสมควรแล้ววันนี้ยังต้องทำความเข้าใจต่อการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเท่าที่ จำเป็นและต้องการ เ, เราไม่ใช่นักบวชทาวรซึ่งต้องทำตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะประยุกต์ความรู้สึกตัว กับหลายหลายอย่างมากยิ่งกว่าพระสงฆ์เช่นเราปฏิเสธการร้องเพลงไม่ได้การฟังเพลงการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมของแม่บ้านแม่เรือนหรืออาจจะรวมกว้างไปถึงกิจกรรมรหลวงเพิ ของคู่ผัวตัวเมียด้วยในประเด็นนี้ผมอยากจะชีแจงว่าเราต้องกระทำจิตใจหรือความรู้สึกให้ศักดิ์สิทธิ์คือกระทำทุกอย่างอย่างมีพิธีเหมือนจะประกอบพิธีกรรมนะครับ เช่นก่อนที่เราจะเคลื่อนมือเราก็รู้ตัวไม่มีอารมณ์ล้อเล่นตัวเองไม่มีอารมณ์หยอกล้อผู้อื่นไม่มีอารมณ์หลุกลิดไม่มีอารมณ์ซัดสายหรือโลเลหรือประมาทหรือกลัวแล้ว <c oughs> นั้นอารมณ์นั้นต้องตั้งมันและแน่วแน่แล้วจึงทำกิจกรรมนั้นอย่างเู่เราเราจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่ง พระเจ้าท่านห้ามนะครับไม่ให้ร้องเพลงผิดศีล น, นัจกคีตะวาทินจนะจัคคือหน้าตาคนะครับหน้าตลักการฟอ้อนรำคีตะคือการคีดสังคีตนะครับวาทิจคือวาทิตประโคมวงวาทิตนี่คือวงเครื่องสายประโคมไม่ให้ร้องไม่ให้รำไม่ให้ดูการละเล่น ไม่ทัดทรงสวมใส่เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้อารมณ์ของเราวุ่นวายอ่อนแอน้นสับศีลแปดแต่ผมคิดว่าโดยชีวิตรจริงของคนธรรมดาสามัญทั่วไปนั้นย่อมเรียงยากที่ยังไม่ฟังวิทยุไม่ฟังเพลงหรือไม่ร้องเพลง ต่างว่ามีนักปฏิบัติทำคนหนึ่งเับเคยเป็นนักร้องหรือนักดนตรีเขาจะต้องเลิกอาชีพหรือความหรือทักษะของเขาด้านนั้นัหมผมคิดว่าเขาไม่ควรจะเลิกแต่ปัจจุบนเขาควรจะเล่นดนตรีสมัยด้วยจิตใจใหม่ด้วยระเบียบของความรู้สึกตัวใหม่แต่ถ้าเขาอยากเป็นนักบวชก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็เลิกเลยก็ได้ แล้วถใครก็ตามที่ไม่อยากจะทิ้งทักษะเกา่าซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองสันทัด mm hmm. เขาก็สามารถประยุกต์ความรู้สึกตัวเข้าในการงานได้ mm hmm. ส่วนใหญ่เมื่อเราจะร้องเพลงแล้วม่กจะเศร้าครับร้องเล่นร้องเพื่อสติขาดยิ่ ง, งขึ้นใช่ไหมครับพอคุณอ้าปากร้องเพลงก็ลืมตัวทันทีเลยลืมตัวนี้ครับเพราะถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่ อารมณ์พื้นฐานน่ยจะศักดิ์สิทธิ์ครับไม่เล่นจริงใจดังนั้นเราต้องเลือกเพลงที่จะร้องแล้วก็มีความรู้สึกที่กลางกลางรู้ตัวในขณะร้องนไม่ให้อารมณ์เตลิดเปิดเปิงไปเพราะเพลงนั้ น, น, น ที่จริงพระสวดมนต์ด้วนะครับก็คือก็พระร้องเพลงแต่ร้องทํานองเดียวแต่เดิมมันท่านร้องทํานองที่เรียกสารพันญักษองค์ใดพระสัมพุทธนะครับมันคือเพลงที่ที่เป็นขนบร้องสืบสืบกันมามันโดยความเปจริงแล้วมนุษย์เราควบคู่กับเรื่องเพลงและดนตรีศิล ป, ปะตลอด แว่าได้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับศาสตร์นกิจตอนนั้นเราจะร้องเพลงกันบ้างก็ได้ครับแต่ต้องทำในใจซสก่ขขอน